50 languages. สี่สิบหกนอร์ตตีที่นั่งนี้ว่างไหมคะ น, นันวงกลุ่นอุตคาราลามาเชิญค่ะดาราลมากคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะวงกลดขึ้าาอเสียงดังไปนิดค่ะคนจสัสตตมาเกิยิ่ขึระดเสียงดังไปนิดค่ะ แต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะออนอลอิซิคุดูมิกวุมนันรากะวาสิกคิราร์คัยคุณมาที่นี่บ่อยไหมคะนี่ไงยิงกิดอดิคคดิวรวดุนดาไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกค่ะอิลงเลอิดดอนมุดัลตะดะไว ดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะนอนอิงกือวันเดย์อิลล็กคุณอยากเต้นรำไหมคะุงกรลึกนั่นน่ะมอดลวิรปะม์อีกเดียวอาจจะไปค่ะสิริดเดนีรัติร์กภิกุปวรกัรกลลมดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะ ย ன க ் க ுนันรா க ட หรอดั้นออร์ตติริยดุง่ายมากเลยค่ะรุ่มบ์สุลบดิฉันจะแสดงให้คุณดูนนน้องุ่งกุลก็คอนบิค ற เรนไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าค่ะอิ่งเลยเวรสมัยมันปรคลำ คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะนิงกันยารุกาวัตคอดคุนด์ยิริครีร์ฮัลาใช่ค่ะรอแฟนอยู่อ๋อมเย็นนุดเยี่ยออนนันบันตึกเขามาแล้วคะ่ะอะโด้아버ตาน